มีน้ำวนมีสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ำไม่ได้โอ้โหนะครับทำให้ละราคาโทรศัพนี่นะครับแสดงว่าไม่สามารถข้ามสมุทรได้ไม่สามารถข้ามคลื่นมีระลอกได้ไม่สามารถจะข้ามพ้นวังน้ําวนได้ไม่สามารถจะข้ามพ้นสัตว์ร้ายมีผีเสื้อน้ําเป็นต้นไปได้ฉลาบร้ายก็ข้ามไม่ได้นะครับดูการพิสูจนทั้งหลาย ราคะโทสะโมหะผู้ใดผู้หนึ่งเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามละได้แล้วผู้นี้เรากล่าวว่าข้ามพ้นสมุตรที่มีคลื่นมีะระลอกมีน้ำวนมีสัตว์ ร, ร้ายมีผีเสื้อน้ำได้แล้วข้ามถึงฝั่งยืนอยู่บนบกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า เรากล่าวผู้ใดสำรอกราคะโทสะโมหะและอวิชชาได้แล้วผู้ข้ามพ้นสมุดที่มีสัตว์ ร, ร้ายมีผีเสื้อน้ำมีคลื่นหน้าพึงกลัวนะภารยะนี่กลัวนะครับแต่พวกเราไม่ค่อยกลัวหรอกนะข้ามได้โดยยากได้แล้วผู้นั้นล่วงธรรมะเป็นเครื่องข้องละมัจจุราชหาอุปธิมิได้ละทุกเพื่อความ ไม่เกิดอีกถึงความขาดศูนย์แล้วย่อมไม่ถึงการนับได้ว่าเธ อ, อยังมัจจุราชให้หลงได้แล้วคือคือท่านเนี่ยไม่ถึงการนับได้ไม่นับว่าเป็นใครแล้วนะครับแล้วก็มัจจุราชก็หลงท่านแล้วนะครับหาท่านไม่เจอเลยนะครับนะสูตรนี้ก็มีการอธิบายดีนะครับสมุดทางสมุดทางเนี่ยสมุดนี่นะครับเป็นชื่อของทะเลคือสงสารหรือทะเลคืออายตนะมี ขูอายตนะเป็นต้นสงสารและอายตนะแม้ทั้งสองอย่างนั้นชื่อว่าสมุดคือทะเลนะเพราะเป็นเหมือนทะเลโดยความหมายว่าเต็มได้ยากนะขันท่าอายาตนะนี้ให้เต็มไม่ได้เหมือนกันนะครับถมให้ตาเต็มก็ไม่ได้นะครับถมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่มีเต็มนะครับมันพร่องอยู่เป็นนิดนะครับโลกนี้นะหาสีมาถมตาให้พอก็ไม่พอนะครับ หาเสียงมาถมหูก็ไม่พอกลิ่นถมจะมูกก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นอายตนะทั้งหลายก็ถมไม่เต็มนะครับสังสาระคือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะก็ไม่มีเต็มมันไปเรื่อยอยู่อย่างนี้แหละครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสมุดเพราะอธิบายว่าเป็นเหมือนสมุดอธิบายว่าชื่อว่าเป็นเหมือนสมุดเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของกิเลสเพราะสันดานของสัตว์เป็นเรือนของกิเลสหนนะครับ เรือนของกิเลสมันนอนอยู่แถวนี้เองนะครับพระพรบพรโพลย์แถวนั้นนะครับบทว่าสวิตจริงแปลว่ามีระลอกนะครับที่บอกว่าระลอกคืออะไรระลอกคือความโกรธและความแค้นใจสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุคําว่าภัยคือระลอกนี้แหลเป็นชื่อของความโกรธและความแค้นนะครับทะเลที่มีระลอกเคลื่นอนนะน่ะอันนี้ก็ดูได้ใน น, นะครับในจ่าตุมมาสูตรมัชชิมนิกายนะครับ จะตุ่มาสูตรนะครับบทว่าสาวัตตังความว่าพร้อมด้วยวังน้ําวนโดยวังน้ําวนคือกามคุณ5นะครับไม่สามารถพร้นคลื่นคือความโกรธไม่สามารถข้ามพ้นวังน้ําวนคือกามคุณ5ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุคําว่าอาวัตตานี้เป็นชื่อของกามคุณ5นะครับเป็นชื่อของกามคุณหเห็นครวาฏเป็นต้นเนี่ยนะเขาพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ก็อยากไปในวังน้ําวนอันนั้นบ้างนะครับ นักษณะนั่นแหละบอดว่าสะกหังสรักขังความว่าเชื่อว่าประกอบด้วยบุคคลที่เป็นวิสภาคะกันคือฝ่ายตรงข้าม น, นะเช่นกับมังกรดุปลาร้ายและผีเสื้อสมุทรนะครับเพราะให้เกิดอนัตตะแก่ผู้ไปสู่แหล่งหากินของตนใครก็ตามนะครับที่หลุดไปในแหล่งมังกรดุปลาร้ายผีเสื้อสมุทรอ น, นีน้ถูกกินมาเรียบนะครับ แต่ทีนี้ฟังดูแล้วอือหืออะไรจะน่ากลัวแบนนั้นฟังดูนะัก่ากลัวจริงหรือเปล่านะครับสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูก่อนที่สุดคาว่าสกหังสรัคสังนี่แลเป็นชื่อของมาตุคามกลัวจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนะปากกัดปากแดงแดงเป็นตัวเนี่ยอดเลยนะครับนะพอตอนฟังเน้อหือมังกรดุปลาร้ายผีเสื้อสมุดเนี่ยโอ้โหมันทํำลายไม่หมดเลยนะฟังแล้วก็พอนี้ก็เออ ถึงจะกินก็ยอมอย่างนี้ถูกมั้งถึงจะถูกกินก็ยอมอยมางนั้นน่ะนะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าข้ามได้ยากเลยนะครับตอนนี้ข้ามยากจริงๆนะครับแต่ว่าพอข้ามไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าหลุดเข้าไปในบ่วงนั้นอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปในวังมังเอ่อเรียกว่าอะไรนะมังกรดุปลาร้ายผีเสื้อสมุทรแล้วก็ยากนะครับบวชคืนอีกยากนะครับและสําสคัญที่สุดเนี่ยนะครับแต่โห ชีวิตทั้งชีวิตนี่นะครับก็เลยหมดเลยนะครับมันไปอีกชาติหนึ่งแล้วบทว่าอารติความว่าข้ามทะเลตามที่กล่าวแล้วด้วยเรือคือมัคคปัญญาเนี่ยนะบทว่าตินโนข้ามพ้นแล้วปารคโตได้แก่ผู้เข้าถึงฝั่งคือฝั่งโนนของทะเลได้แก่พระนิพานนะครับนิโรธนะนะบทว่าทะเลติดทติความว่า ต่อจากนั้นไปตถาคตเรียกเขาว่าเป็นพรามผู้ลอยบาปแล้วยืนอยู่บนบกคือฝั่งโน้นได้แก่พนิพานเพราะข้ามห่วงน้ำใหญ่มีกามเป็นต้นนะครับห่วงน้ำในที่นี้คือกามนะครับห่วงน้ำคือกิเลสทั้งหลายแล้วเนี่ยครับกามโอฆ ะ, ะ, ะ, ะ, ะ, ะนะครับทิฏฐิโอคะภาวะโอคะแล้วก็อวิชาอวิโชคะนะครับพวกนี้ข้ามยากจริงๆนะครับ แม้ในพระสูตรนี้คาถาก็มีมาแล้วด้วยสามารถแห่งธรรมะที่เป็นฝ่ายเขานะในคาถาที่บอกว่าเรากล่าวผู้ใดสํารอกราคะโทสะและโมหะอวิชาได้แล้วผู้นั้นข้ามพ้นสมุดที่มีสัตว์ ร, ร้ายมีสัตว์ ร, ร้ายคืออะไรครับสัตว์ ร, ร้ายผีเสื้อน้ําคืออะไรครับมาถูกคามมีเคลื่อนคือความกโกรธหน้าพึงกลัวนะครับแล้วก็วังน้ําวนคือกรรมมรรคห้าที่ข้ามได้ยาก ได้แล้วผู้นั้นเรื่องธรรมะเครื่องข้องละมัจจุราชหาอุปธิไม่ได้ละทุกข์เพื่อความไม่เกิดอีกถึงความขาดสูนแล้วย่อมไม่ถึงการนับได้ว่าย่อมไม่ถึงการนับได้เธออย่างมัจจุราชให้หลงได้แล้วนะคะที่นะเวลาเห็นน้ําเห็นอะไรก็นึกถึงทะเลนะครับโอ้ทะเลนี่มีคลื่นโอ้ความกโกรธนี่เหมือนคลื่นนะครับท้าลมมาหมุนหมุนเป็นวังน้ําวนก็โอ้นี่การมาคุณห้านะครับเห็นปลาร้าย ฮุบก็เพศตรงข้ามนี่ยบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุมมิพยังได้แก่คลื่นและภัยตามที่กล่าวแล้วคลื่นนั้นชื่อว่าเป็นภัยเพราะเป็นแดนน้าสะพึงกลัวโธสะนี่น่ากลัวไหมครับ น, นนะวุยวายมาทีวัดหนึ่งโอ้โหนะครับผมได้ยินแล้วโอ้โหเสียววูบเลยนะไปวัดหนึ่งนะครับเจาวว้าวาดก็ว้าขึ้นมาเลยนะครับ เขาไม่ได้แวกแต่ผมหรอกครับกขแวกไตพระในยอดโยมท่าไหายในวัดนั่นแหละแต่ได้ยินเสียงแล้วก็โหเสียวาบเลยนะครับนะครับนาดูมันนะโทสะนี่นะครับบทว่าสังคาติโคความว่าชื่อว่าผ่านเครื่องข้องไปแล้วเพราะเป็นผู้ก้าวเลยคือละเครื่องข้องห้าอย่างมีราคะเป็นต้นไปแล้วนะครับเครื่องข้องคือราคะทิฏฐิมานะทุจริตเป็นต้นเนี่ยนะครับ บทว่าอัฏฐานคตโศณประมาณะเมติความว่าผู้นั้นเป็นอย่างนั้นคือเป็นพาหันชื่อว่าผู้ถึงความขาดศูนย์แล้วเพราะกิเลสมีราคะที่เป็นธรรมะทำประมาณถึงความดับศูนย์ไปโดยส่วนเดียวโดยแท้นะต่อเอ่อต่อแต่นั้นไปเป็นผู้ไม่อาจที่ใครๆจะนับได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เช่นนี้โดยศีลสมาธิและปัญญาเพราะ ความบริบูรณ์แห่งธรรมขันมีศีลเป็นต้นเชื่อว่าไม่ถึงการนับได้เพราะอะไรครับเพราะว่าอัปปามโนสังโคนะครับพระอรหันต์ทั้งหลายนี่มีธรรมะที่นับประมาณไม่ได้เพราะโลกุตระธรรมเนี่ยเป็นอัปปามณธรรมนะครับเป็นอัปปามณธรรมเป็นธรรมที่นับประมาณไม่ได้หาประมาณไม่ได้ว่าคือช่างไม่ได้นั่นเองนะครับโลกุตระธรรมนี่นะครับเพราะฉะนั้นในวิรูป อะไรนะในคาถาหนึ่งนะอัปปามโนพุโทโอะอัปปามโนธรรมโมอัปปามโนสังโฆเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่มูสัตว์ที่เหลือประมาณได้หมดเลยแต่พระตระรัยเป็นต้นหาประมาณไม่ได้นะครับถ้าผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงโลกุตระธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่หาประมาณไม่ได้นะครับเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยกิเลสเนี่ยแหละมันทําให้ประมาณได้นะครับอีกอย่างหนึ่งผู้นั้นถึงความตั้งอยู่ไม่ได้กล่าวคืออนุปาทิเสสนิ พ, พานชื่อว่า ย่อมไม่ถึงคือไม่เข้าถึงการนับได้เพราะเป็นผู้ที่ใครๆไม่สามารถจะนับได้ว่าพระอระหันต์นั้นเป็นผู้ดํารงอยู่แล้วโดยคติชื่อนี้เป็นผู้เช่นนี้โดยชื่อและโดยโคตรเหมืนั้นไม่มีใครหาพบนะครับว่าท่านอยู่ที่ไหนเหมือนนั้นเนี่ยต่อแต่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบพระธรรมเทศนาลงด้วยอนุปาทิเสสนิพา น, นธาตุนั่นแหละว่าเราตถาคตกล่าวว่า เธอยังมัจจุราชให้หลงได้แล้วคือเป็นผู้ที่พญามัจจุราชไม่สามารถจะติดตามได้นะครับถ้าฟังสูตรนี้เขามีบางคนบอกพระพุทธเจ้ามาหานี่นะครับก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีคติพอที่ใครจะไปค้นหาพราะองค์เจอได้ที่ไหนแต่คนในสมัยนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาหานะครับหรือว่าเสด็จไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เชิญใคร่ครวญให้ดีนะ